ขะใดทีด่จิตมีสมาธิเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสขณะที่รูล้ลมหายใจเขาออกก็ดีพู้คำาวนาก็ดีขณะนั้นจิตไม่คิดเรื่องอื่นถือว่าเป็นจิตว่างจากกิเลส